เป็นไงตอนน<อ>ัเคยมาห้กี่เดเกิดบ่อยไหมโอ้ดีนะเวลาใจลอยรู้เร็วขึ้นไหมพอจะรู้ไหมใจลอยกใจลอยใจลอยบอกเลยทจะเป็นมอันอาให้บ่อยๆนะบ่อยเลยอย่าใจลอยตามพอะใจลอยแวบมันจะหนีไปรู้ไวๆแล้วรู้สึกขึ้นมาอยู่ได้ชั่วขณะแล้วก็ใจลอยใหม่ ส่วนความโลภ ค, ความโกรธอะไรรุนแรงเนี่ยมันตามหลังใจลอยไปทิ้งความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดตอนใจลอยแหละตอนเผลอๆไปตอนขาดสติถ้ามีสติอยู่แท้ๆนะั้นจะไม่ทุกข์หรอกความทุกข์ในใจเกิดไม่ได้ตอนมีสติดีแล้วดูบ่อยๆออช่วงนังนะ่งภาวนาเนื่ยแลวเวลาหลับตานะสมองนะั้น อย่าไปหลับตามันนะอ ย, อย่าไปบังคับมันสุดท้ายไปบังคับใจตัวเองบังคับจะให้มันสงบมันไปกดมันลืมตาปฏิบัติได้ดได้ไ ด, ได้ดูพระพุทธรูปนะไม่มีพระพุทธรูปหลับตาพระองคนั่งสมาธิก็นั่งตัวตรงๆนั่งพื้นไม่สะดวกนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งแล้วก็ทําความรู้สึกตัวคุณใช้อะไรลมหายใจหรใช้ได้ ท้องผ่องยุคดูท้องผ่องยุคไปนะทําต่อไปแล้วนั่งตัวตรงๆสบายดูท้องผ่องยุบไปนี่พอดูไปดูไปจิตหนีไปคิดก็ให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดก็ดูท้องไปอีกอย่าไปดึงนะตรงที่มันหนีไปนี้อย่าไปดึงคืนมาห้ามดึงถ้าดึงเราจะแน่นให้รู้เฉยๆดนั้นพอจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นสั้นๆแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวมันก็จะหลงย่างอื่นอีกนะบางทีก็เข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องเคยเป็นไหมเข้าไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ท้องนะก็ให้รู้ว่าไปเพ่งอยู่นะแล้วดูท้องพองยุบไปเรื่อยๆจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไงก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆเป็นการซ้อมดูใจเราเอง น, นั่นเองนะนั้นเวลาเราหัดปฏิบัติเราดูท้องพองยุบไปแล้วเราก็ดูใจไปในที่สุดเราจะรู้ทันใจของเราได้ชํชนานิชํานาญ พอเรารู้ทานใจของเราไนดะ้ชํานาญแล้วใจเราวิ่งไปก็รู้ใจไปคิดก็รู้นะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอนะกุศลก็รู้แนละ้วเนะี่ยเราก็มาจเจริญสติในชีวิตประจำวันจริงๆนะพอมาอยู่ในชีวิตประจํำวันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวใจเราก็วิ่งไปเดี๋ยวก็วิ่งมานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวรายเราจะเห็นได้ชัดเพราะเราเคยฝึกซ้อมที่จะรู้ที่จะดูมาแล้วงั่นคุณก็ดูท้องฟังยุบไป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 เราไปอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยสติมันจะเกิดเองเช่นพอใจเราโกรธแวบเนี่ยจะเห็นเลยว่าใจมันโกรธความโกรธมันปุดขึ้นมาเงั้นที่เราอุตส่าห์ไปฝึกถดปฏิบัติอะไนเนี่ยก็จะให้เรารู้เท่าทันจิตใจตัวเองให้ได้พอรู้ทันใจตัวเองแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตจริงๆนี่แหละเอาชีวิตจริงนี้เป็นสนามรบของเรานะในการทําวิปัสสนา พอไหวไมตรงนีจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้มันแยกนะบางทีมันก็แยกกันบางทีมก็ไหลไปรวมกันนะแต่ถ้าเราฝึกถูกต้องไปเไรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าขันห้ามันแยกออกจากกันไม่เฉพาะจิตกับอารมณ์นะเราจะเห็นในร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาความปวดความเมื่อยอะไรนี้ก็ส่วนหนึ่งนะจิตที่เป็นคนรู้ก็ส่วนหนึ่งกุศนะลอกุศนะลอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึง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 ปรุงนนทรงนี้เดี๋ยวสุดเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวๆๆร้ายเขาไปรู้โดยไม่ได้จงใจจะรู้เยเรียกว่ารู้เป็นแล้วนะถ้ายังจงใจจะรู้เรียกไม่รู้เป็นหรอกรู้ไม่เป็นยังจงใจยังตั้งใจนี่เราหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยนะอย่างหลวงพ่อคอยไล่จี้พวกเราเสือไปแล้วนะเพ้งแล้วนะอะไรเงี้ยสงสัยแล้วนะนหัดรู้สภาวะไปเรื่อยแล้วสติจะเกิดเอง พวกครูบาอาจารย์ที่สอนดังอภิธรรมเ้าก็สอนบอกอย่าเพิ่งรีบร้อนปฏิบัตินะเรียนให้รู้เรื่องก่อนเรียนเรื่องตัวสภาวะต่างๆเรียนไปจกนกระทั่งสติมันเกิดแต่เรียนด้วยการอ่านการฟังสติไม่เกิดออกต้องเรียนจากการดูของจริงใจรอยไปแล้วทราบไหมต่อไปจิตมันจะจําได้จิตมันจําได้พอเราใจรอยปุ๊บสติจะเกิดเองโยรู้สึกไหมจิตใจมันนุ่มนวล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 ไปเพ่งไปแช่ไปนิ่งๆไว้ข้างในรู้สึกไหมชับถูกไปแช่ใจไหลเข้าไปอยู่อยากรู้ให้ชัดๆนะลงไปจ้องการรู้ที่ถูกต้องคือรู้อยู่ห่างๆรู้อย่างคนมงนอกเห <c oughs> มือนเราอยู่บนตึกสูงๆแล้วมองลงมาข้างล่างเราเห็นรถวิ่งอยู่เต็มถนนเนี่ยเราไม่ได้อยู่บนถนนนะเราดูอยู่ห่างๆเวลาเรารู้กายเราก็รู้กายอย่างห่างๆรู้ใจรู้ใจอย่างห่างๆ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 คือมันเป็นสิ่งที่สอนธรรมะเราเท่าๆกั น, น, นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะเข้าใจถึงถึงแล้วดูไปอย่าเข้าไปแทรกแสงนะนั่นก่อนจะดูอย่าอยากดูแล้วก็เข้าไปดักไว้ระหว่างดูอย่า ก, กระโจนเข้าไปดูอยู่ ห, าหา่างๆพอดูแล้วไม่เข้าไปแทรกแสงไม่ใช่ความโกรธเกิดขึ้นก็หาทางไปละมันนะบางคนพอความโกรธเกิดขึ้นก็พุโทโธพุโทโธจะให้หายโกรธนะหรือไปเจริญเมตตาให้หายโกรธ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 เั็นเป็นของแปรปรวนเป็นของนอกๆทั้งหมดเลยนะเบื้องปลายมันจะลากความยึดถือกายลากความยึดถือจิตได้ตรงที่มันลากความยึดถือกายยึดถือจิตได้นะเพราะมันมีวิชามันละอาวิชาอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของโลกเป็นสมบัติของโลกเป็นตัวทุกขนะ์เราคิดว่าเป็นตัวเรา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 อยากได้อารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจแล้วจะได้มีความสุขเนี่ยหรืออยากเป็นอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี้อยากให้จิตของเราดีอยากให้จิตของเราสงบเนี่เรียกว่าภาวะตัณหาอีกอันหนึ่งก็วิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อยเืยเรียกว่าวิภาวะตัณหาะไม่ชอบนี้หนีไปเนี่ยที่ที่มันเกิดตัณหาขึ้นมาเพราะมันมีอวิชามันไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีคิดว่าตัวเรามีจริงๆริงแล้วก็เลยเกิดตัณหาอยากให้มันมีความสุขอยากหนีความทุกข์นั่นแหละ นี่ตอบสนองมันเท่าไหรมันก็ไม่พ้นนะต้องมารู้กายต้องมารู้ใจรู้กายรู้ใจจนเกิดปัญญาแจ่มแจ้งกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อมันไม่ใช่ตัวเราแล้ววัวนใดหมดความยึดถือเนี่ยตัญหาจะหมดเองเพราะงรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวเรานะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมูทไทคือปัญหาจะถูกละอัตโนมัติกการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนี่แหละ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 รู้จงกระทั่งรู้ความจริงไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจปัญหาคือตัวสมุทัยจะถูกละไปจิตใจจะเข้าถึงสันติสุขเข้าถึงนิโรธเข้าถึงนิพพานสภาวะที่คอยรู้ทุกข์นี่แหละเรียกว่ามรคนั้นมรนี่ก็คือการที่คอยรู้กายคอยรู้ใจจกนกระทั่งสิ้นปัญหาแจ่มแจ้งในนิโรธในนิพพานนี่เรียกอริยมร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 เพราะฉะนั้นทุกมันแนบมากับตัวเราตั้งแต่แรกแล้วถ้าไม่ทิ้งตัวเราออกไปก็ทิ้งตัวทุกออกไปไม่ได้ไม่พ้นหรอกให้ดูงนะมันไม่ได้ยากอะไรหรอกเมื่อสักอาทิตย์ก่อนเมื่อ ส, ส, สี่สี่ห้าวันก่อนแล้นมีหนุ่มคนหนึ่งบอกให้ยกมือพูดท้าวหานนะ <c oughs> การที่เห็นทุกเนี่ยทําให้ละสมุทัยโดยอัตโนมัติใช่ไหยครับใช่ เป็นยังไงผมจะจีบสาวคนหนึ่งมันจีบยากมันเห็นทุกข์เลยเลิกจีบเลยหมดความอยากจะจีบเพราะว่าจ <c oughs> ีบทธรรมะต่าระดับมากเลยนะ <c oughs> คำว่ารู้ทุกข์ไม่ใช่ไปรู้ว่าอกหักเป็นทุกข์อะไรอย่างนั้นจีบสาวยากเป็นทุกข์นะคําว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้านิยามไว้เนี่ยบอกว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าคือทุกข์คือกายกระใจต่างห า, งากคือตัวทุกข์ ถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่าไม่ใช่ตัวเรานะแล้วก็คืนกายคืนใจให้เป็นสมบัติของโลกไปตามเดิมเลยไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาเียตัณหาถึงจะหมดไปไอประเภทจีบสาวลาบากแล้วก็เลิกจีบไปเดี๋ยวมันก็ไปจีบคนอื่นอีกสมูทไทยไมันไม่หมดหรอกนมันก็เปิดอีกเหมือนโยนะแทนที่จะบวชก็คิดจะมีเมีย ตรงนี้อย่าไปตัดออกเลยนะ <c oughs> ม, มันเบื่อเบื่ อ, อยากยากทำไมเบื่อเบื่ อ, อยากยากเพราะมันไม่เห็นทุกข์มันยังไม่รู้ลงที่กายที่ใจใแจม่มแจ้งก็ยังเบื่อเบื่อยากอยา ก, ยา ก, ยากเพราะมันยัคิดว่ามีสองอยู่มีสุขกับมีทุกข์อยู่ตรับใดที่ยังมีสุขกับมีทุกข์คู่กันอยู่นะมันจะวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อย เพราะฉั้นทำแห่งควาเป็นคู่เนี่ยทําให้ปรุงแต่งมีความต่างขึ้นมาแล้วก็เลยเคลื่อนไหวห้ปรุงแต่งแต่ถ้าเรารู้กายแจ่มแจ้งว่ากายนี้ทุกร้วนร่วดูจิตลงไปจนแจ่มแจ้งว่าจิตนี้ทุกร้วนร่วนเนี่ยไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างถึงจะยอมปล่อยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ารู้ทุกถึงจะถึงธรรมถึงเห็นธรรมเพราะรู้ทุกก็คือรู้ว่ากายนี้ใจนี้นะทุกร่วนรวนถึงยอมปล่อยวางเข้าถึงธรรมะแท้ๆ ท, ที่พ้นจากกายจากใจ ใดที่ยังเห็นกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างปล่อยไม่ได้แล้วแล้วเบื่อๆ อ, อยากๆไปเรื่อยๆ <c oughs> สดสมพงเป็นไงอา <c oughs> รมณ์ตันแน่นอนเลยะให้มันตันไปนั่นดีแล้วตันแต่ตันแล้ไม่เลิกนะครั้งหนึ่งก็มีคนหนึ่งภาวนาเป็นพระองค์หนึ่งภาวนาทําไปอย่างนี้เออน่าจะดีนะ จิตดีเะสว่างสวัยเบาโล่งไม่ยึดไม่ถืออะไรสบายพอหลายหลายวันเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นพอตื่นนอนตอนชเช้านะเอาจิตนี้เคลื่อนเข้าไปตรงที่สบายนี้เลยเข้าไปแล้วไปอยู่อยู่นี้นึกว่านิพานนะอยู่ไปหลายวันมันทำไมทื่อๆมันไม่ใช่ของจริงแล้วมันทื่อๆขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่แล้วเลิกหันมาทำกลับมาเบสิกใหม่เลย มารู้กายมารู้ใจใหม่กลับมาหาจุดตั้งต้นใหม่เดินผิดแล้วถอยกลับมาที่เก่ามารู้กายมารู้ใจรู้กายรู้ใจจิตก็พลิกแปลงไปอีกนะนึกว่าอย่างนี้ดีอยู่ไปหลายวันก็พบว่าไม่ใช่อีกละโอ้ดิ้นรนดิ้นรนไปเรื่อยนะจนทั่งรู้สึกว่ามันหมดทางไปลนะเมื่อมันหมดทางไปนี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจนปัญญานะสงสัยชาตินี้ไม่มีบารมีมากกว่านี้แล้วได้แค่นี้เอง ใจมันหมดแรงดิ้นรนที่จะสแสวงหาธรรมะนะใจมันก็เข้าถึงธรรมะง่ายๆเลยตรงที่หยุดดิ้นได้นั่นแหละแต่ว่าก่อนจะหยุดดิ้นได้นะต้องดิ้นสุดฉีดมาแล้วถ้าแกล้งหยุดนะมันก็คือการดิ้นอีกแบบหนึ่งแจะกแกล้งทาเป็นจุดนะล่ะผมหมดความอยากแล้วหมดแล้วนะ <c oughs> นี่หลอกลวงนะอย่างนี้งั้นต้องสู้สุดฤทธิ์เลยนะสู้จนหมดปัญญานั่นแหละ พอหมดปัญญาเราก็หมดความซ่าหมดความคิดว่ากูเก่งกูเก่งถ้าอย่างคิดว่าทําได้อยู่ถ้ากูยังเก่งอยู่แต่ไม่รอดฝึกไปเรื่อยโอ้จนปัญญาหมดสติหมดปัญญาไม่รู้จะทําทยัางไงนะช่างมันเถอะอะไรจะเกิดก็ช่างมันเถอะเนี้ยใจจะเข้าถึงธรรมะแต่ก่อนจะช่างมันนี่หมายถึงสู้สุดทีเจ้านะสู้สู้เต็มเหนียวแนละ ดูไปเรื่อยเลยทุกแง่ทุกมุมลุกไปนะทำไงมก็ไม่ผ่างนะงั้นลูกสิดกันไหนปฏิบัติแล้วกิเลสเกิดบ่อยหลวงพ่อชอบนะลุกสิดกันไหนปฏิบัติจนจนปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะโอ้โหดีจังเลยนะไอพวกที่ยังเก่งเก่งกาๆอยู่นะอีกนาน <c oughs> อ่ะแจนปู <c oughs> <c oughs> แล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยจะแขวนแขวนแขนครับหนึ่ง้ยครับน่งถึงส้อยไเไม่ถึง ห, ห<ร>นักเลยเวลาสวดมนต์ก็เหมือนกันสวดไม่จบหดหรอก <นะ S 2> สวดแวบเดียวขาดช่วงไปแล้วแต่ก่อนก็ขาดแต่ไม่เคยเห็นใ ส, ส่สัญญาจาได้ว่ามาันสวดต่อไม่ว่าสวดได้ตลอดที่จริงจนะเกิดดับเกิดดับเร็วมากเลยสวดไปคำสองคาขาดไปแล้วทงนี้ก็จะเห็นว่าเวลาคิดมันก็จะออยู่อืม เราจะเอาตัวไหนมีสองตัวสังเกตไหมตัวบนนี้ไม่ทุกตัวบนเหมือนกับเป็นจิตเป็นคนดูตัวล่างแต่ตัวล่างนี่มันทุกข์รู้สึกไหมใช่สิเนี่ยหลวงพ่อเคยงงกับสองตัวนี้งงแล้ว เป็นสิบสิบปีนะสิบกว่าปีนะไม่ถามครูบาจาเราเอาไว้ดูนะก็ดูไปมีสองตัวนะตอนนั้นงงมากเลยหลวงพูดูลบอกให้ดูจิตไอ้จิตมันเหมือ น, นเป็นคนอยู่ข้างบนนี้เป็นคนดูพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกไอ้ตัวนี้มันทุกไอ้ตัวข้างล่างมันทุกนะจะเอาตัวไหนล่ะทำไมมันขัดแย้งกันโอ้โงงนะนะสมควรงงต่อไป <c oughs> แต่บอกใบ้หน่อยหนึ่งว่าไม่ได้เอาทั้งสองตัวแหละ ที่ไหนที่หนึ่งก็ไม่ได้หรอกส่งกันบ้านเลนยคือเราอย่าไปทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะคนไหน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 เหมือนที่เล่าให้คุณนี้ฟังเมื่อกี้เนี้ยดูท้องพองยุบก็เพื่อรู้ทันจิตตนเองทํำอะไรก็คอยรู้ทันจิตตนเองเนะพุโทโธไปหายใจไปแล้วใจก็หนีไปคิดใจเป็นไหมพุโทโธพุโทพโธก็หนีไปก็ปรู้มันแต่ถ้าเดินจะโทรีก็จะคิดมาเออนะงั้นก็ไปเดินเอาเดินจงกรมเดินเนนพราะมันเป็นสมถะ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 ใครมาหัดดูจิตดูใจที่นี่จะรู้สึกไม้มกิเลสเราเยอะเยอะแยะเลยแต่แต่ก่อนมันก็เยอะนะแต่ไม่เคยเห็นนึกว่ากูดีกูดีนะลองไปดูข้อเส้นหน้าเกลียดชัวละแต่ก็ไม่ได้ไปดูเพื่อจะตําหนิตีเตียนดูเพื่อให้เห็นอย่างที่มันเป็น น, ะนั่นแหละงันชอบรู้กายก็ไม่ทิ้งสมถะทิ้งสมถะไม่ได้นะถ้าจะดูกา ย, ยางันถ้าใครเดินแนววัฏฏะ ห้ามทิ้งสมถะใครจะเดินแนวทางฟองยุบหรือขยับมืออย่างหลวงพเทียนรู้อิริยาบถสี่อย่างสายจันแนบเลยก็ไม่ควรทิ้งสมถะ mm hmm. เพราะกายารู้ปัสนานี่มันเหมาะก mm ับสมถะอย่างนี้ถ้าใจไม่มีคุณภาพพอใจไม่ตั้งมั่นพอจะถลามลงไปเพ่งลูกเดียวเลยไปดูท้องก็ไปเพ่งท้องไปดูเท้าก็ไปเพ่งเท้าใจมันไม่มีกาลังมันไม่ตั้งมั่นมาเป็นผู้รู้ผู้ดู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 เราก็จะเห็นเลยว่าลมหายใจเป็นของที่ถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้ลมหายใจกลุลาันกันถ้าจะทําสมาธิด้วยการดูท้องพองยุบเราก็จะเห็นเลยท้องที่พองที่ยุบนี่ของถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้มันนมันจะแยกออกมาจนกระทั่งมีจกกิต ท, ที่เป็นตัวรู้อยู่แล้วคราวเนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันจะเห็นตลอดเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจะแยกกันเลยมันจะไม่ใช่ตัวเราเลยกาย น, นี้เหมือนเปลือกเหมือนถ้าที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเอง